การศึกษาพระธรรมคำสอนของพระพุทธเจ้าและการปฏิบัติตามคำสอนของพระพุทธเจ้าเป็นการซักขออชำระจิตใจให้สะอาดบริสุทธิ์จิตใจที่ได้รับการซักขออ ชำระให้สะอาดบริสุทธิ์เป็นจิตใจที่มีแต่ความสุขปราศจากความทุกข์การซักพอกจิตใจนั้นก็มีอยู่สองระดับด้วยกันระดับชั่วคราวและระดับถาวรการซักพอก ระดับชั่วคราวคือการซักพอกด้วยการทำบุญทำทานด้วยการรักษาศีลด้วยการนั่งสมาธิทำใจให้สงบวิธีการทั้งสามนี้เป็นวิธีการที่จะซักพอกจิตใจให้สงบได้ เป็นพักๆไปเป็นการซักฟอกแบบชั่วคราวถ้าหยุดซักฟอกเมื่อไหร่ก็จะกลับมาสกปรกได้ถ้าอยากจะซักฟอกแบบถาวรก็ต้องเพิ่มการศึกษาการปฏิบัติธรรม อีกขั้นหนึ่งคือการศึกษาเรื่องของปัญญาและการปฏิบัติด้วยปัญญาถ้ามีถ้าได้เข้าถึงระดับปัญญาแล้วการซักฟอกจะเป็นการซักฟอกแบบถาวรคือจะไม่กลับมาเสื่อมจะไม่กลับมา สกปกเอกจิตใจจะสะอาดบริสุทธิ์ไปตามลำดับตามลำดับของความรู้ความสามารถของปัญญานี่คือเรื่องของการซักฟอกจิตใจของพระพุทธเจ้าที่พระองค์ได้ส่งตัดสรุ จะนำมาเผยแพร่สั่งสอนให้แก่สัตว์โลกที่ยังไม่รู้จักวิธีซักพอกจิตใจของตนให้สะอาดบริสุทธิ์ให้หลุดพ้นจากความทุกข์ต่างๆที่เกิดจากการกระทําที่เป็นการ สร้างความทุกข์สร้างความเสียหายให้แก่จิตใจถ้าผู้ใดได้มาพบกับพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์ผู้นั้นก็จะได้เรียนรู้และได้มีโอกาสสักพอกจิตใจของตนให้สะอาดบริสุทธิ์ตามลำดับจากระดับชั่วคราวขึ้นไปสู่ระดับ ถาวรได้การซักพอกของจิตใจในแต่ละระดับนี้ก็จะทำให้จิตใจเป็นจิตใจที่มีพบมีชาติที่ดีขึ้นไปตามลำดับถ้าซักพอกจิตใจด้วยการรักษาศีลไม่ทำบา ไม่ฆ่าสัตว์ไม่ลักทรัพย์ไม่ประพฤติผิดประเวณีไม่พูดปดไม่เดิมสุรายามเมาถ้าสามารถซักฟอกจิตด้วยศีลห้านี้ได้ก็จะทำให้จิตนี้เป็นมนุษย์ไปเรื่อยๆกลับมาเกิดก็จะกลับมาเกิดเป็นมนุษย์น ไม่ต้องไปเกิดในอบายถ้ารักษาศีลห้าได้ตายไปนี้จะไม่ต้องไปเกิดในอบายถ้าสามารถรักษาศีลห้าได้และทำบุญทำทานได้ด้วยมีพลังมีกำลังทรัพย์ ที่จะแบ่งปันทรัพย์สมบัติเข้าของเงินทองช่วยเหลือผู้อื่นช่วยเหลือผู้ที่ทุกข์ยากลำบากเดือดร้อนอก็จะทรัพฟอกจิตให้ขึ้นสู่ระดับของเทวด า, าผู้ที่รักษาศีลห้าได้ผู้ที่ทำบุญทำทานได้อย่างสม่าเสมอจิตก็จะ ยกระดับขึ้นไปสู่การเป็นเทวดาเทวดาก็มีหลายชั้นด้วยกันขึ้นอยู่กับการทําบุญอยู่กับการรักษาศีลว่าทำได้มากได้น้อยทำได้มากก็จะได้เป็นเทวดาชั้นสูงทำได้น้อยก็เป็นเทวดาชั้นต่ำ นี่คือ ท, ที่มาของเทวดาชั้นต่างๆเกิดจากการรักษาศีลเกิดจากการทำบุญทาทานดวงจิตดวงใจที่เวลาไม่มีร่างกายแล้วก็จะไปเป็นเทวดาถ้ามีการปฏิบัติธรรมของพระพุทธเจ้าเพิ่มขึ้นอีกข้อหนึ่ง คือนอกจากรักษาศีลห้าแล้วทำบุญทำทานแล้วก็มาหัดนั่งสมาธิทำใจให้สงบด้วยการเพิ่มศีลห้าเป็นศีลแปดการที่จะนั่งสมาธิทำใจให้สงบได้นั้นจะต้องอาศัยศีลแปดเป็นผู้ช่วยสนับสนุนเพราะศีลห้านี้ มีกำลังไม่พอที่จะสนับสนุนในการฝึกหัดจิตใจให้ตั้งอยู่ในความสงบได้ผู้ที่ต้องการที่จะฝึกสมาธิจึงต้องอาศัยการรักษาสีล8แปดด้วยถึงจะทำให้เกิดผลขึ้นมาได้อย่างง่ายดาย ง่ายกว่าการรักษาศีลห้าถ้าสามารถรักษาศีลแปดได้ทำบุญทำทานได้นั่งสมาธิทำใจให้สงบได้ใจก็จะสะอาดขึ้นไปอยู่ในระดับของสวรรค์ชั้นพรหมได้ไปเป็นพรหมชั้นต่างๆพรหมนี้ก็มีหลายชั้นเหมือนกับเทพ เพราะว่าความสงบของจิตนี้ก็มีหลายระดับด้วยกันแบ่งเป็นระดับฌานต่างๆมีอยู่แปดฌานด้วยกันแปดขั้นด้วยกันแบ่งเป็นสองส่วนส่วนรูปฌปานมีสี่ส่วนอรูปฌปานมีอีกสี่รวมกันก็เป็นแปด รูปฌานนี้จะสงบน้อยกว่าอารูปฌานรูปฌานและอารมูปฌานนี้เกิดจากการนั่งสมาธิทำใจให้สงบด้วยการควบคุมจิตใจด้วยสติให้อยู่กับอารมณ์ใดอารมณ์หนึ่งไม่ให้ไปคิดถึงเรื่องราวต่างๆถ้าสามารถฝึกจิต ให้เข้าสู่ชานขั้นต่างๆได้จิตก็จะอยู่ในระดับของพรมมโลกแต่การบําเพ็ญการปฏิบัติธรรมเหล่านี้คือการรักษาศีลห้าการทำบุญทาทานการรักษาศีลแปดการนั่งสมาธินี้ยังไม่สามารถที่จะซร้างฟอก จิตใจให้สะอาดบริสุทธิ์ได้เพียงแต่ควบคุมหรือกดหรือหยุดกิเลสตัณหาตัวที่ทําให้จิตใจไม่สะอาดได้ชั่วคราวเวลาใดที่ไม่ได้ทําบุญทําทานเวลาใดที่ไม่ได้รักษาศีลเวลาใดที่ไม่ได้นั่งสมาธิจิตก็จะ เสื่อมลงอำนาจของบุญที่ได้ทําไว้ก็จะอ่อนกําลังลงไปตามลําดับพออํานาจของทานของศีลของสมาธิอ่อนกําลังลงกิเลสตัณหาที่ทําให้จิตใจเศร้าหมองมัวหมองก็จะโผล่ขึ้นมาตามลําดับถ้าอยู่บนสวรรค์ชั้นพรหม พอกิเลสตัณหาโผ ข, ขึ้นมาก็จะทําให้จิตใจเสื่อมลงสู่ระดับชั้นเทพถ้าอยู่ชั้นเทพลอกิเลสตัณหาโผ ข, ขึ้นมาก็จะดึงให้จิตใจเสื่อมลงสู่ระดับของมนุษย์ทําให้จิตใจที่ไปอยู่บนสวรรค์ชั้นต่างๆเช่นอยู่สวรรค์ชั้นเทพอยู่สวรรค์ชั้นพรหมก็จะต้องเปลี่ยน ลงมาเกิดเป็นมนุษย์ใหม่แต่จะไม่ลงไปต่ำกว่ า, วาพบที่ต่ำกว่าพบของมนุษย์คืออบายสีมีเดลชาญเปรดอสุรกายและนารกถ้ากลับมาเกิดเป็นมนุษย์แล้วก็มารักษาศีลต่อมาทำบุญทำทานต่อมานั่งสมาธิต่อ เวลาตายไปจิตก็จะกลับขึ้นไปสู่สวรรค์ชั้นต่างๆ ต, ต่อไปถ้าทำได้เพียงแต่รักษาศีลห้าทำบุญให้ทานก็จะกลับขึ้นไปเป็นเทวดาถ้าสามารถรักษาศีลแปดและฝึกสมาธิได้ก็จะขึ้นไปสู่สวรรค์ชั้นพรหมแต่ก็จะไปได้เพียงระดับนั้น แล้วก็จะต้องเสื่อมลงมากลับมาเกิดเป็นมนุษย์ใหม่ถ้าอยากจะขึ้นไปสู่สวรรค์สู่ภพที่สูงกว่าคือภพของพระอริยเจ้ามีอยู่สี่ระดับด้วยกันคือพระโสดาบันพระสกิดาคามีพระอนาคามีและพระอาหารหันต์จำเป็นที่จะต้อง ศึกษาและปฏิบัติวิธีเจริญปัญญาต้องมีความรู้ความฉลาดความสามารถที่จะมองเห็นความเป็นจริงของสิ่งต่างๆที่จิตไปพบไปเกี่ยวข้องด้วยถ้าจิตมีปัญญาจิตจะเห็นว่าสิ่งต่างๆที่จิตไปเกี่ยวข้องด้วยนั้น เป็นใจรักทั้งนั้นคือเป็นอนิจจังทุกขังอนัตตาไม่เที่ยงเป็นทุกข์ไม่ใช่ของเราสิ่งอะไรที่จิตเรามักจะมาพบมาเกี่ยวข้องด้วยในโลกนี้ก็คือลาบยศสรรเสริญและความสุขทางตาหูจมูกลิ้นกายเนี่ยอันนี้เป็นสิ่งที่จิตจะมา พบมาเกี่ยวข้องด้วยถ้ามีปัญญาก็จะเห็นว่าราบยศสรรเสริญความสุขทางตาหูจมูกลิ้นกายนี้ไม่เที่ยงความไม่เที่ยงเมื้ามันไม่ใช่เป็นของเราก็จะทำให้เกิดความทุกข์ขึ้นมาเพราะเวลาจิตมาเกี่ยวข้องกับสิ่งเหล่านี้มักจะมีความผูกพัน มักจะมีความยึดมั่นถือมั่นว่าเป็นของตนและอยากให้ของที่เป็นของตนนั้นอยู่กับตนไปเรื่อยๆไม่อยากให้มันจากตนไปแต่ความเป็นจริงของสิ่งต่างๆในโลกนี้มันเป็นของชั่วคราวทั้งนั้นมันไม่เที่ยงไม่ใชาก็เร็วมันก็จะต้อง หมดไปด้วยจากกันไปเพราะร่างกายที่จิตใช้เป็นเครื่องมือในการหาราบยศสรรเสริญหาความสุขทางตาหูจมูกลิ้นกายก็ไม่เที่ยงเช่นเดียวกันร่างกายนี้เมื่อเกิดแล้วก็ต้องแก่ต้องเจ็บและต้องตายไปตามลำดับพอร่างกายเข้าสู่สภาพ ของการแก่การเจ็บการตายลาบยศสรรเสริญหน้าความสุขทางตาหูจมูกลิ้นกายก็จะค่อยเสื่อมไปและหมดไปในที่สุดเมื่อเกิดการพัดพาาจากสิ่งที่จิตใจมาสัมผัสมารักมาชอบมายึดมาคลองก็จะทำให้เกิดความทุกข์ใจขึ้นมาถ้ามีปัญญาก็จะเห็นว่า สิ่งต่างๆที่จิตใจไปหลงไปรักไปชอบไปยึดไปถือเป็นของตนนั้นเป็นทุกข์ทั้งนั้นถ้าเห็นว่าเป็นทุกข์ก็จะสามารถละความอยากในสิ่งต่างๆเหล่านั้นได้ชำระกิเลสตัณหาที่มาให้ที่ดึงจิตให้มายึดมาติดกับสิ่งต่างๆในโลกนี้ได้เห็นด้วยปัญญาเห็นตายลัก เห็นอริยาาสัจสีตายลักษอริยสัจสีนี่เป็นของมาด้วยกันเป็นห่วงสองห่วงติดกันมาที่ไหนมีตายลักณ์ที่นั่นก็จะมีอริยาาสัจสีเพราะในตายลักษ์มีทุกข์ทุกข์ก็มีในอริยาาสัจสีที่เกิดเป็นทุกข์ก็เพราะว่าเกิดกิเลสตัณหาเกิดความอยากและที่ทำให้ ิเลตันหาดับไปก็เกิดจากการเห็นว่าเป็นอนิจจังเป็นอนัตตาการเห็นว่าสิ่งต่างๆไม่เที่ยงไม่ใช่ของเรามันก็จะทำให้เราไม่อยากได้เพราะรู้ว่าได้มาแล้วเดี๋ยวก็ต้องสูญเสียไปเดี๋ยวก็ต้องจากกันไปสู้อย่าไปมีมันดีกว่า ไปมีก็มีความสุขตอนที่ได้มาในเวลาที่สูญเสียไปก็ต้องทุกข์ทรมานใจเช่นร่างกายของพวกเรานี่ยเวลาเราได้ร่างกายมาเราก็ดีใจกันได้เครื่องมือที่เราจะเอาไปใช้หาความสุขต่างๆไปหาลาบยศสารเสริญไปหารูปเสียงกลิ่นรส แต่พอเวลาที่เราต้องสูญเสียร่างกายนี้ไปเวลานั้นก็มีแต่ความทุกข์กันมีแต่ความทรมานใจกันถ้าเห็นด้วยปัญญาก็จะเบื่อกับการที่จะมามีร่างกายก็จะตัดความอยากที่จะอาศัยร่างกายเป็นเครื่องมือหาความสุขทางลาบยศสรรเสริญทางตาหูจมูกลิ้นกายได้ ดังนั้นผู้ที่จะสามารถชาระใจให้สะอาดบริสุทธิ์ได้ชําระกิเลสตัณหาได้นั้นจําเป็นจะต้องมีปัญญาเพราะถ้าเห็นด้วยปัญญาแล้วก็จะไม่มีกิเลสตัณหาโผล่ขึ้นมาการที่เรามีกิเลสตัณหากันก็เพราะเรายังไม่มีปัญญากันเรายังยังมองไม่เห็นไตรลักษณ์ในสิ่งที่เราอยากได้กัน เห็นเวลาเราเห็นสิ่งที่เราอยากได้เรามักจะเห็นตรงกันข้ามกับความเป็นจริงแทนที่จะเห็นอนิจจังทุกขังอนัตตาเรากลับไปเห็นเป็นนิจจังสุขขังอัตตาเห็นอะไรก็คิดว่าจะให้ความสุขเราไปนานๆไปตลอดจะเป็นของเราไปตลอดนี่คือความเห็นของผู้ที่ไม่มีปัญญา พอเห็นลาบยศสารเรสรริญเห็นรูปเสียงกลิน่นรสผลิตัพฑะก็เกิดความยินดีขึ้นมาพอเห็นว่าเป็นนิจจังสุขขังอัตตาสังเกตดูคนที่เราที่อยู่ในโลกนี้ที่เป็นข่าวเป็นข่าวกันเนเขาทำอะไรกันเขาก็หาลาบยศสารเรสรินหาความสุขทางตาหูจมูกเนื้องายกัน ทำไมเขาถึงหากันก็เพราะเขาเห็นว่าราบยศสรรเสริญเขาเห็นว่ารูปเสียงกลิ่นรสผลพระต่างๆนี่เป็นนิจจังสุขขังอัตตานั่นเองพอเขาหามาได้เขาก็คิดว่าจะเป็นของเขาไปเรื่อยๆจะอยู่กับเขาไปเรื่อยๆจะให้ความสุขกับเขาไปเรื่อยๆเขาก็เลยแข่งแย่งชิงดีแข่งขันหาความ หาสิ่งต่างๆที่มีอยู่ในโลกนี้กันแล้วเขาก็ต้องมาทุกข์กับการสูญเสียกับการพัดพาจากสิ่งต่างๆที่เขาหามาได้กันเพราะเขาลืมว่าร่างกายที่เขามีอยู่นี้ก็เป็นร่างกายที่ไม่จีรังถาวรไม่ใช่ของเขาเช่นเดียวกันร่างกายนี้ เดือนในที่สุดก็ต้องแก่ต้องเจ็บและต้องตายพอร่างกายแก่เจ็บตายสิ่งต่างๆที่ร่างกายหามาได้ก็จะต้องมีการพัดพากจากกันไปตามลําดับ<ม>นี่คือเรื่องของปัญญาที่จะสามารถกําจัดกิเลสตัณหาตัวที่สร้างให้สร้างความเศร้าหมองสร้างความทุกข์ สร้างความเสื่อมเสียให้แก่จิตใจได้ถ้ามีปัญญาแล้วก็จะสามารถกำจัดกิเลสตัณหาให้หมดไปจากใจได้อย่างถาวรเมื่อกิเลสตัณหาถูกกำจัดได้ด้วยปัญญาอย่างถาวรแล้วจิตก็จะไม่เสื่อมกลับลงมาเกิดอีกต่อไปถ้ายังไม่ถึงขั้นสูงสุดก็ยังมีการ กลับมาเกิดอยู่แต่จะกลับมาเพื่อมาทำงานคือการชำระจิตใจให้สะอาดบอยสุดเต็มที่ต่อไปเช่นถ้ายังได้ขั้นที่หนึ่งของพระอริยบุคคลคือขั้นพระโสดาบันปัญญาของพระโสดาบันนี้จะสามารถกำจัดกิเลสตัณหาได้ประมาณร้อยละยี่ส0บร้อยละสามสิบ อันนี้ก็ยังไม่ยังไม่สามารถกำจัดกิเลสตัณหาได้เต็มรอยกิเลสตัณหาที่เหลืออยู่ยังสามารถส่งให้จิตนั่นกลับมาเกิดเป็นมนุษย์ต่อไปอีกแต่จะกลับมาเกิดไม่เกินเจ็ดชาติเป็นอย่างมากและจะไม่เกิดต่ำกว่ามนุษย์เกิดจะไม่ไปเกิดในอบาย ไม่ไปเกิดเป็นเดรัจฉานเป็นเปรตเป็นอสุรกายไปตกนรกถึงแม้ว่าในอดีตอาจจะเคยทำบาปมามากน้อยเพียงไรก็ตามแต่ถ้าได้ปัญญาระดับพระสสดาบาลปัญญาระดับนี้จะทำลายกิเลสตัณหาตัวที่จะฉุดรางให้จิตใจลงไปต่ำกว่าความเป็นมนุษย์ แล้วก็จะสามารถปฏิบัติชำระจิตต่อไปพอได้ขั้นต่อขั้นที่สองคือขั้นพระสกีดาคามีขั้นนี้ก็จะทำให้กิเลสตัณหาเบาบางลงไปอีกจาก2 0สเป็นจาก20 30เป็น40เอซแต่ก็ยังจะกลับมาเกิดเป็นมนุษย์อีกไม่เกินห น, หนึ่งครั้งเป็นอย่างมาก พอกลับมาเกิดก็จะปฏิบัติต่อและสามารถชําระกิเลสตัณหาได้ห้าเปอร์ซนตก็จะบรรลุเป็นพระอนาคามีขั้นที่สถ้าชําระกิเลสตัณหาได้ห้าเอร์เซ็นี้จะไม่ต้องกลับมาในภพของมนุษย์อีกต่อไปจะไม่กลับมาเกิดในภพของมนุษย์แต่ยังไปติดอยู่ในภพของพรหมอยู่ สวรรค์ชั้นพรมอยู่เพราะยังมีกิเลตตันหาที่ละเอียดที่ยังผูกจิตให้ติดอยู่กับการไปเกิดในสวรรค์ชั้นพรมแต่สามารถที่จะศึกษาและปฏิบัติธรรมของพระพุทธเจ้าในสวรรค์ชั้นพรมนั้นได้และสามารถบรรลุขึ้นสู่ระดับของพระอาหารหันต์ได้ต่อไป หลังจากที่ได้ชำระกิเลสตัณหาครบร้อยเปอร์ซแล้วจิตใจสะอาดบริสุทธิ์ร้อยเปอร์เซนจิตใจก็จะไม่มีอะไรดึงจิตให้กลับมาติดอยู่ในไตพบอีกต่อไปไม่ต้องกลับมาเกิดเป็นมนุษย์เป็นเทวดาเป็นพรหมอีกต่อไปจิตที่ปราศจากกิเลสตัณหานี้ท่านเรียกว่าพรานิิพาน เป็นจิตที่สะอาดบ่อยสุดเพราะนิพพานนี้ไม่ใช่เป็นสถานที่เหมือนกรุงเทพหรือเชียงใหม่แต่เป็นฐานะของจิตสวรรค์ชั้นต่างๆนี่ก็เป็นฐานะของจิตเป็นเทพเป็นพรหมนี้ก็ไม่ใช่เป็นสถานที่เป็นฐานะของจิตจิตที่มีความสุขในระดับของเทพจิตที่มีความสุขในระดับของพรหม เราก็เรียกว่าสวรรค์ชั้นเทพสวรรค์ชั้นพรหมสิทธตที่มีจิต ท, ที่มีความสุขระดับของพระอาหารหันเราก็เรียกว่าพระนิพพานเป็นฐานะของจิตจิตไม่ได้สูญหายไปจิตเปลี่ยนฐานะเหมือนคนจนที่เปลี่ยนมาเป็นคนรวยก็ยังเป็นคนเดียวกันอยู่คนรวยรวยเพราะอะไร รวยเพราะมีทรพัพย์สมบัติเก้าวของเงินทองคนจนจนเพราะอะไรจนเพราะไม่มีทรพัพย์สมบัติเก้าของเงินทองฉันใดจิตใจของสัตว์โลกก็เหมือนกันจิตใจของสัตว์โลกเป็นนิพพานเพราะไม่มีกิเลส ต, ตัณหาถ้ามีกิเลสตัณหาชนิดละเอียดก็จะไปเป็นพรหมถ้ามีกิเลสตัณหาชนิดปานกลางก็จะไปเป็นเทพ ถ้ามีเกลเลตตัณหาชนิดหยาบก็จะไปเป็นมนุษย์เนี่ยอันนี้ก็เป็นดวงจิตดวงเดียวกันเหมือนคนคนเดียวกันที่มีฐานะต่างไปตามทตามกับ ต, ตามกำลังทรัพย์สมบัติเข้าของที่มีอยู่ถ้ามีทรัพย์สมบัติมากก็เป็นมหาเศรษฐีถ้ามีทรัพย์สมบัติไม่มากก็เป็นเศรษฐีธรรมดา มีมากแต่ไม่มากมหาศารก็เป็นเศรษฐีธรรมดาถ้าไม่มีทรัพสมบัติเลยก็จะเป็นอาญาจกขอทานเป็นคนยากจนแต่ก็เป็นคนเหมือนกันคนมหาเศรษฐีคนรวยคนจนก็เป็นคนเหมือนกันจิตใจก็ของพวกเราก็เหมือนกันเป็นจิตใจเหมือนกันต่างอยู่ที่ว่าได้รับการชำระสักพอก มากน้อยเท่านั้นที่ทําให้จิตใจของพวกเราต่างกันจิตใจของเราถ้าได้ซักพอกด้วยศีลห้าจิตใจของเราก็จะเป็นมนุษย์ถ้าได้ซักฟอกด้วยศีลห้ากับการทําบุญทําทานก็จะได้เป็นเทวดาถ้าได้ซักพอกด้วยศีลแปดด้วยการนั่งสมาธิก็จะเป็นพรหมกันถ้าได้ซักฟอกด้วย ปัญญาก็จะเป็นพระอริยบุคคลขั้นต่างๆและเป็นได้ตั้งแต่ยังไม่ตายจิตใจของพวกเราขณะนี้อาจจะมีฐานะต่างกันเพราะการชําระของพวกเหล่านี้ได้ชําระกันมากน้อยต่างกันท่านที่ได้รักษาศีลห้าอย่างบริสุทธิ์นี่ก็จะเป็นมนุษย์พวกที่ไม่รักษาศีลห้า ขาดขเกินเกินก็จะไปก็จะตกลงต่ำกว่าระดับของมนุษย์ก็คือเป็นเดรอาฉานบ้างเป็นเปรตบ้างเป็นอสุรกายบ้างเป็นนรกบ้างอันนี้เป็นได้ตั้งแต่ยังไม่ตายร่างกายเป็นมนุษย์แต่ใจอาจจะเป็นเดรอาฉานใจอาจจะเป็นเปรตใจอาจจะเป็นอสุรกายหรือใจอาจจะเป็นนรกก็ได้ เราไม่รู้เรามองเห็นแต่ร่างกายแต่จิตใจนี้เราไม่รู้ว่าจิตใจเขาอยู่ในระดับไหนเราจะรู้ได้ถ้าเราติดตามดูพฤติกรรมของเขาเช่นถ้าเขาทำบาปด้วยความหลงด้วยความไม่รู้ว่าบาปนี้มีโทษตามมาเขาคิดว่าไม่เป็นไม่เป็นไรเช่นพวกที่ทำอาชีพฆ่าสัตว์เนี่ยอาชีพที่ฆ่าสัตว์เพราะ เขาคิดว่าเป็นการเลี้ยงชีพเขาถือว่าไม่เป็นไรถ้าไม่เลี้ยงชีพก็ต้องตายเิย่งถ้าต้องถ้าต้องอยู่แล้วต้องฆ่าก็ถือว่าเป็นเรื่องธรรมดาแต่ความจริงการฆ่าไม่ว่าจะฆ่าด้วยเหตุผลกลไกใดก็เป็นบาปทั้งนั้นเพียงแต่ว่าจะมีผลแบบไหนท่า น, นเองถ้าทำบาปด้วยความหลงความไม่รู้ว่า มีผลตามมาก็จะไปเป็นเดรัจฉานกันพวกสัตว์เดรัจฉานนี้เขาไม่รู้เรื่องเรื่องเรื่องบาปว่าเป็นโทษกับเขาเขาต้องหากินด้วยการทําบาปเขาต้องฆ่าสัตว์เล็กสัตว์น้อยเอามาเป็นอาหารหรือก็แย่งขโมยอาหารของผู้อื่นนี่เรียกว่าทําบาปด้วยความหลงจิตใจก็จะ ตกไปจากระดับของมนุษย์ไปสู่ระดับของเดรัจฉานไม่ต้องรอให้ตายบางทีเขาเลยพวกที่ทำบาปนี้เขาก็เลยต้องจับไปขังไว้ในคุกในตารางเหมือนกับเป็นสัตว์เดรัจฉานนี่เองเพราะถ้าปล่อยให้เขาออกมาอยู่ข้างนอกก็จะไปสร้างความเสียหายให้แก่ผู้ที่เป็นมนุษย์ได้เราจะมีคุกตารางไว้สำหรับ กักขังพวกที่มีจิตใจต่ำนั่นเองจิตใจที่เป็นเดลชานจิตใจที่เป็นเปรตเปรตนี้ก็เป็นจิตใจที่ทำบาปด้วยความโลภอยากได้อะไรมากๆง่ายๆเร็วๆก็ต้องหาด้วยวิธีทำบาปเช่นค้ายาเสพติดช่อโกงลักทรัพย์ปนเอ หรือไปทำความเสียหายให้แก่ผู้อื่นถ้าทำด้วยความโลภจิตใจก็จะเป็นเปรตถ้าทำด้วยความหลงด้วยความกลัวถ้าทำด้วยความกลัวจิตใจก็จะไปเป็นอสูรกายถ้าทำด้วยความเครียดแค้นอาฆาตพยาบาทจิตใจก็จะไปนรกเป็นนรก เพราะความเครียดค้านอาฆาตพยาบาทนี่เป็นเหมือนไฟเผาจิตใจให้รุ่มร้อนลองสังเกตดูวันไหนที่เราโกรธใคร ใ, ใจเรานี้จะร้อนขึ้นมากินไม่ได้นอนไม่หลับนี่เกิดสภาพของจิตใจที่ทำบาปด้วยเหตุผลต่างๆไม่รักษาศีลห้าไม่พยายามใช้ศีลห้ายับยั้งการกระทำบาป ถ้ามีศีลห้าแล้วศีลห้าจะยับยังเวลาจะหากินก็จะไม่ให้หากินด้วยการทํำบาปเวลาอยากจะได้อะไรมากๆ ก, ก็ให้หาด้วยวิธีที่ถูกต้องเิ่นให้ทํามาหากินประกอบอาชีพด้วยความรู้ความฉลาดก็สามารถที่จะหาะไรายได้ได้มากกว่าผู้ที่ไม่มีความรู้ความฉลาด อันนี้ยกตัวอย่างของการเป็นมนุษย์มนุษย์นี้จะรักษาสี่ห้าถ้าอยากได้อะไรก็จะหามาโดยวิธีสุดจริตจะไม่ทำบาป ท, ทั้งหข้อด้วยกันนี่คือการรักษาจิตใจให้เป็นมนุษย์ไม่ให้ตกต่ำลงไปสู่อาบายก็ต้องรักษาด้วยการปฏิบัติสีห่หตามที่พระพุทธเจ้าทรงสั่งสอนให้ปฏิบัติกัน แล้วถ้าอยากจะยกระดับจิตให้สูงกว่ามนุษย์ก็ต้องมีความเมตตามีความกรุณามีความเอื้อเฟื้อเผื่อแผ่มีความสงสารในความทุกข์ยากลำบากของผู้อื่น เ, เห็นผู้อื่นเขาทุกข์ยากลำบากแล้วอยู่กินอย่างสุขอย่างสบายล้วยังมีเหลือกินเหลือใช้อยู่ แทนที่จะเก็บเอาไว้เราก็เอาส่วนที่เกินส่วนที่เราไม่ต้องใช้ไม่ต้องเก็บนี้เอามาช่วยเหลือผู้ที่เขาตกทุกข์ได้ยากาก็เรียกว่าได้ทําบุญทําทานอาพอได้ทําบุญทําทานก็จะยกระดับจิตให้สูงขึ้นจากมนุษย์ไปเป็นเทวดาแล้วถ้าอยากจะให้จิตสูงกว่านั้นอยากให้จิตมีความล่มเย็ยนเป็นสุขมากกว่านั้น ก็มักจะไปอยู่วัดกันไปบวชกันไปถือศีลของนักบวชจะเป็นนักบวชชั่วคราวก็ได้เป็นนักบวชที่ถาวรก็ได้บางท่านก็บวชเฉพาะวันหยุดวันเสาร์วันอาทิตย์วันที่ไม่ต้องไปทำงานทำการก็ไปอยู่วัดไปถือศีลแปดไปฝึกสติสมาธิกันไปนั่งสมาธิทำใจให้ร่มเย็นเป็นสุข ก็จะได้สัมผัสกับความเป็นพรมชั่วคราวไปก่อนถ้ามีความศรัทธามากเราอยากจะได้สัมผัสกับความล่มเย็นเป็นสุขของสวรรค์ชั้นพรมมากก็อาจจะบวชอย่างถาวรไปบวชเป็นแม่ชีไปบวชเป็นพระภิกษุแล้วก็อยู่กับการเจริญสติ อยู่กับการควบคุมจิตใจนั่งสมาธิทำจิตใจให้สงบรักษาศีลแปดไม่ให้บกพร่องจิตใจก็จะเข้าสู่ระดับของพรหมโลกแล้วถ้าอยากจะหลุดออกจากการเวียนว่ายตายเกิดหลุดออกจากตายพบก็ต้องศึกษาทางปัญญาต่อไปศึกษาเรื่องไตลักษ์ศึกษาเรื่องอริยสัจสี ให้เห็นว่าความหลงความที่ไม่เห็นไตรลักษณ์ความที่ไม่เห็นอริยสัจสี่นี้เองที่ทําให้เกิดกิเลสตัณหาชนิดต่างๆขึ้นมาเห็นอะไรก็จะเห็นเป็นนิจจังสุขขังอัตตาแทนที่จะเห็นว่าเป็นอนิจจังทุกขังอนัตตาก็กลับไปเห็นความที่ความที่ตรงกับความเป็นจริงที่เรียกว่าเห็นกับตาลปัดนี่ นี่คือความหลงเห็นกองจากเป็นดอกบัวเห็นว่าสิ่งที่ไม่เที่ยงเที่ยงเห็นสิ่งที่เป็นทุกข์ว่าสุขเห็นสิ่งที่ว่าไม่ใช่ของเราว่าเป็นของเราพอเห็นว่าเป็นอย่างนั้นก็เกิดความรักความชอบความยึดความถือความผูกพันก็เลยเกิดความทุกเวลาที่ สิ่งที่เราคิดว่ามันเที่ยงมันไม่เที่ยงสิ่งที่เราคิดว่าจะอยู่กับเราเป็นของเรากับไม่อยู่กับเราเป็นของเราอพอไปเจอความจริงตอนนั้นก็เกิดความทุกข์กันขึ้นมาร้องห่มร้องไห้กันขึ้นมาอย่างที่เราคงเคยประสบกันเวลาเราต้องสูญเสียบุคคลที่เรารักไปเช่นบิดามารดาพี่น้องญาติพี่น้อ ง, องทั้งหลาย หรือสามีภรรยาหรือบุตรธิดาพวกเราที่เกิดมานี้ไม่มีใครที่จะหลีกเลี่ยงการที่จะพบกับการสูญเสียสิ่งต่างบุคคลต่างๆไปได้เพราะนี่มันเป็นสัจธรรมความจริงของชีวิตที่ผู้ที่ไม่มีปัญญาจะมองไม่เห็นกันจะเห็นว่าบุคคลต่างๆที่เรารู้จักนี้จะอยู่กับเราไปตลอด จะไม่มีวันจากเราไปแต่พอถึงเวลาเกิดเหตุการณ์ขึ้นมาก็เกิดความทุกข์ขึ้นมาเพราะว่าไม่ได้เตรียมตัวเตรียมใจสั่งสอนใจให้รับกับความจริงนั่นเองพอเกิดสูญเสียบุคคลที่เราเคยอยู่ร่วมกันมาตลอดพออยู่วันดีคืนดีพอเขาเกิดเป็นอะไรขึ้นมาปั๊บนี่ใจนี้เศร้าโศกเสียใจทันทีเลย ทั้งๆ ท, งที่บางทีก็เห็นบางทีก็รู้แต่ไม่เอามาสอนใจให้รู้ให้เห็นตลอดเวลาไม่เอามาสอนใจให้ปรับใจปรับปรับ ท, ทัศนคติของใจว่าบุคคลต่างๆที่เราอยู่ร่วมกันนี้และรวมไปถึงร่างกายของเราด้วยว่ามันจะต้องแก่ต้องเจ็บต้องตายกันวิธีเจริญปัญญาให้เห็น สิ่งเหล่านี้พระพุทธเจ้าจึงต้องสอนชาวพุทธเราให้หมันพิจารณาอยู่เนืองๆว่าเมื่อเราเกิดมาแล้วย่อมมีการแก่เป็นธรรมดาล่วงพ้นความแก่ไปไม่ได้เมื่อเราเกิดมาแล้วย่มมวมมอมมีความเจ็บไข้ได้ป่วยเป็นธรรมดาล่วงพ้นความเจ็บไข้ได้ป่วยไปไม่ได้เมื่อเราเกิดมาแล้วย่อมมีความตายเป็นธรรมดา ร่วงพ้นความตายไปไม่ได้เมื่อเราเกิดมาแล้วย่อมมีการพลดพลาดจากกันเป็นธรรมดาร่วงพ้นการพลดพลาดจากกันไปไม่ได้ทรงให้ทรงสอนให้เราหมั่นคิดอยู่เรื่อยๆเพราะถ้าเราไม่คิดปับ๊บเราจะลืมทันทีถ้าเราต้องคิดบ่อยๆคิดจนกระทั่งจำได้นั่นนะถึงจะหยุดคิดได้เหมือนกับที่เราหัดท่อง บทสวดมนต์หรือท่องภาษาสมัยที่เราเรียนหนังสือนี่วิชาความรู้บางอย่างนี้เราต้องท่องเช่นศัพท์ต่างๆความหมายของศัพท์ต่างๆเราต้องท่องอยู่เรื่อยๆว่าความคำนี้มีความหมายว่ายอย่างไรหรือการท่องสูตรคูณต้องหัดท่องไปจนกระทั่งมันจำได้พอนึกปั๊บมันก็โผล่ขึ้นมาทันทอีอันนี้ก็เหมือนกัน เราต้องพยายามท่องเรื่องการเกิดแก่เจ็บตายเรื่องการพัดพากจากกันว่าเป็นเรื่องธรรมดานี้ให้มันฝังอยู่ในใจไม่ให้เราหลงไม่ให้เราลืมเวลาเราพบปะกับใครรู้จักกับใครนี้เราต้องมีความความรู้อันนี้ผุดขึ้นมาบอกเราไว้ล่วงหน้าก่อนว่าบุคคลนี้ไม่ช้าก็เร็วก็ต้องแก่ต้องเจ็บต้องตาย จะต้องมีการพัดพาาจากกันถ้าคิดอย่างนี้แล้วใจเราก็จะเกิดปัญญาขึ้นมาแล้วเราก็จะไม่ไปยึดไปติดไปผูกพันกับเขาจนทำให้เราต้องเสียอกเสียใจเพราะว่าเรารู้ว่าเดี๋ยวไม่ช้าก็เร็วเขาก็จะต้องแก่ต้องเจ็บหรือต้องตายต้องพัดผ้าจากเราไปบางทียัง ยังไม่ทันตายก็พัดภาคจากกันได้ย้ายที่อยู่กันแยกกันอยู่กันก็อยู่ร่วมกันแล้วมีเหตุการณ์อย่างใดอย่างหนึ่งทําให้ไม่สามารถอยู่ร่วมกันได้ก็ได้ก็ต้องมีการพัดภาคจากกันอันนี้ถ้าเราคิดอยู่เรื่อยๆคิดจยกระทั่งไม่ลืมไม่ลืมความจริงว่าการเกิดแก่เจ็บตายการพัดภาคจากกันนี้เป็นสิ่งที่ เราไม่สามารถที่จะล่วงพ้นไปได้จะต้องเกิดขึ้นกับพวกเราทุกคนเกิดขึ้นกับบุคคลที่เรารู้จักกันทุกคนถ้าคิดอยู่อย่างนี้แล้วต่อไปเวลาเกิดความแก่ความเจ็บความตายเกิดการพาดพาดจากการนี้ใจจะไม่หวั่นไหวใจจะไม่ทุกข์ใจจะยอมรับความจริงนี่คืออำนาจของปัญญา ถ้าเราหมั่นศึกษาหมั่นเจริญอยู่เรื่อยๆจะทำให้ใจเราหยุดความอยากที่ไปยึดไปติดกับบุคคล น, นั้นบุคคล น, นี้ไปยึดไปติดกับสิ่งนั้นสิ่งนี้ได้เมื่อเราไม่มีความยึดติดไม่มีความอยากในบุคคล น, นั้นบุคคล น, นีน้สิ่งนั้นสิ่งนี้ความทุกข์ภายในใจของเราจะไม่เกิดที่มันเกิดเพราะเรายังมีความอยากไปยึดไปติดกับเขานั้นเอง อยางไปอยากให้เขาเป็นของเราอยู่กับเราไปเรื่อยๆอยากไม่ให้มีการพัดพาคจากกันอยากไม่ให้มีการเจ็บไข้ได้ป่วยอยากไม่ให้มีความตายแต่มันเป็นสิ่งที่เป็นความจริงที่ไม่มีใครมายับยั้งมาห้ามได้นินโทษของพวกเราก็อยู่ตรงที่เราประมาทนอนใจกันเราไม่ขยันเจริญปัญญากันเราอยู่กันแบบคนประมาท ไม่เคยคิดว่าเราจะต้องเจอเหตุการณ์ที่ไม่ดีกันทุกคนมีแต่คิดว่าจะต้องมีเหตุการณ์ดีๆเพราะเราทาบุญเรามีพระพุทธรูปไว้กราบไหว้เราคิดว่าการทำบุญของเราการมีพระพุทธรูปนี้จะมาปกป้องไม่ให้เราพบกับความแก่ความเจ็บความตายไม่ให้เราพบกับ ก, บการพัากจากกันอันนี้แม้แต่พระพุทธเจ้าก็ห้ามไม่ได้ แต่ตัวพระพุทธเจ้าเองก็ต้องเจอความแก่ความเจ็บความตายท่านก็ต้องเจอกับการสูญเสียกับการพัดพากจากบุคคลต่างๆท่นก็ต้องสูญเสียพระราชบิดาสูญเสียพระราชบุตรสูญเสียพระมเหสีมีการพัดพากจากการเป็นธรรมดาร่างกายจรีละของพระเองก็ต้องมีการ แก่มีการเจ็บมีการตายพระพุทธเจ้าก็ห้ามเรื่องความกรมเรื่องของความแก่ความเจ็บความตายไม่ได้ดังนั้นถ้าเรายังไปหวังพึ่งสิ่งศักดิ์สิทธิ์คือพระพุทธรูปหรือการทำบุญทำทานทำความดีต่างๆนี่สิ่งเหล่านี้ไม่สามารถที่จะมายับยั้งมาเปลี่ยนแปลงความจริงของโลกนี้ได้เปลี่ยนแปลงความจริง คืออนิจจังทุกขังอนัตตาของสิ่งต่างๆที่มีอยู่ในโลกนี้ได้มีสิ่งเดียวเท่านั้นที่จะมาปกป้องรักษาจิตใจของเราไม่ให้ทุกข์ได้ก็คือปัญญานี้เท่านั้นแต่ปัญญาก็ไม่สามารถไปยับยั้งความแก่ความเจ็บความตายได้ไม่สามารถไปยับยั้งการพัดพากจากกันได้ แต่ปัญญานี้สามารถมายับยั้งความทุกข์ที่เกิดจากความอยากได้เกิดจากภาวะตันหากามาตันหาวิภาวะตันหาได้ถ้ามีปัญญาถ้าเห็นอนิจจังทุกขังอนัตตาก็จะสามารถหยุดความอยากหยุดความยึดติดในสิ่งต่างๆได้สามารถปล่อยวางได้ปล่อยให้สิ่งต่างๆเป็นไปตามความเป็นจริงของเขา ปล่อยให้เขาแก่ปล่อยให้เขาเจ็บปล่อยให้เขาตายถ้าเป็นร่างกายของเราหรือของผู้อื่นก็ปล่อยให้มันเป็นไปตามวาระของมันแต่ใจจะไม่มีความทุกข์เดือดร้อนไปกับความแก่ความเจ็บความตายของบุคคลต่างๆหรือของร่างกายของตนเองนี่คือปัญญาอันนี้ ขั้นปัญญานี้ต้องผ่านขั้นสมาธิก่อนถึงจะสามารถมีพลังที่จะมาสอนจิตสอนใจให้ลำลึกถึงไตรลักษณ์ให้ลำลึกถึงอริยาศาศาสัจสี่ได้อย่างต่อเนื่องถ้าจิตใจยังไม่มีสมาธิไม่มีความสงบจิตใจจะถูกความหลงความอยากกิเลสตัณหาฉุดลากให้ไปคิดในทางความหลงกันจะไม่มาคิดทางปัญญากัน อย่าไปคิดแต่เรื่องนิจจังสุขขังอัตตากันเห็นอะไรก็จะคิดว่าเป็นนิจจังสุขขังอัตตาจะไม่มีวันที่จะมาคิดว่าเป็นอนิจจังทุกขังอนัตตาได้เพราะนี่คือภาวะของจิตใจที่ไม่มีความสงบนั่นเองจิตใจที่ไม่มีสมาธินี้จะถูกอํานาจของอวิชชาปัจจะยาสังขาราอาวิชชาก็คือ หัวหน้าของกิเลสตัณหาที่จะคอยสั่งให้สังขารคิดไปในเรื่องของลาบยศสรรเสริญคิดไปในเรื่องของความสุขทางตาหูจมูกลิ้นกายแล้วก็จะเห็นว่าลาบยศสรรเสริญเห็นว่ารูปเสียงกลิ่นรสผลตภะนี้เป็นนิจจังสุขขังอัตตาเสมอจึงเกิดความอยากเกิดอุปท า, านในลาบยศสรรเสริญในรูปเสียงกลิ่นรสผลตภะ จะไม่มีวันที่จะมาคิดว่าเป็นอนิจจังทุกขังอนัตตาได้จะคิดได้ก็ต่อเมื่อเรามาทําใจให้สงบก่อนเวลาใจเราสงบนี้อวิชชาปัจจะยาสังขาราจะหยุดทํางานชั่วคราวจิตจะนิ่งสงบไม่มีความคิดปรุงแต่งแล้วพอออกจากสมาธิมาพอจิตจะเริ่มคิดปรุงแต่งเราก็ต้องเอาธรรมะเป็น ตัวบังคับให้ไปคิดในทางตารักทันทีถ้าเราไม่บังคับมันก็ยังจะกลับไปคิดทางอาวิชชาปัจจายาสังขารต่อไปได้ออกจากสมาธิมาก็ยังอาจจะอยากจะดูหนังฟังเพลงได้อยากจะดื่มกาแฟอยากจะกินขนมได้แต่ถ้าเราได้ศึกษาทางปัญญาว่าสิ่งเหล่านี้มันเป็นทุกข์มากกว่าเป็นสุข พอเราออกจากสมาธิมาเราก็ต้องทำตามที่พระพุทธเจ้าสอนทันทีออกจากสมาธิมาก็พอจะคิดต้องเอาปัญญามาคิดอย่าเอาความหลงมาคิดอย่าคิดตามความหลงให้คิดทางปัญญาให้คิดว่าทุกสิ่งทุกอย่างเป็นอนิจจังทุกขังอนัตตาอยากจะกินขนมก็เป็นทุกขังอนัตตาเป็นความสุขเดียวเดียวเป็นความสุขที่จะทำให้เราติด อยู่กับขนมจะต้องกินอยู่เรื่อยๆแล้วเวลาไม่มีขนมกินก็จะทุกข์ขึ้นม า, เ, าเวลาตายไปก็จะกลับมาเกิดมาหาขนมกินต่อให้พิจารณาด้วยปัญญ า, อาพอเห็นว่ามันเป็นทุกข์ก็หยุดกินดีกว่ า, าถ้ายังไม่ถึงเวลากินให้กินได้เฉพาะเวลาที่จำเป็นเวลาที่ต้องเลี้ยงร่างกายาถ้ากินด้วย ความจำเป็นนี่ไม่ถือว่าเป็นกิเลสเพราะว่าไม่ได้กินด้วยความอยากเพราะกินเหมือนกินยารักษาร่างกายอาหารนี่เป็นเหมือนยารักษาร่างกายถ้าเรากินอาหารแบบกินยานี่ไม่เป็นกิเลสตัณหาคือกินเป็นเวลาเหมือนตามหมอสั่งหมอบอกว่ายานี้ต้องกินสามเวลาหลังอาหารและก่อนนอนเราก็กินแค่ตอนนั้นเวลาอื่นเราไม่เราไม่กินยา เพราะเราไม่มีความอยากกินยาฉันใดอาหารก็เป็นอย่างนั้นเราก็กินแบบกินยาพระพุทธเจ้าบอกว่าถ้าอยากจะดุดพ้นจากการเวียนว่ายตายเกิดก็ให้กินมื้อเดียวแล้วกินกินก่อนเที่ยงวันหลังจากเที่ยงวันแล้วห้ามกินอย่างนี้ก็จะถ้ากินแบบนี้ก็กินได้ถึงเวลากินก็กินได้แต่อย่าไปกินพุ่มเพื่ออยากจะกินเมื่อไหร่ก็กิน อย่างนี้เรียกว่าเป็นการทำตามความอยากทาตามความหลงที่จะทำให้ใจไม่สะอาดบริสุทธิ์ที่จะทำให้ใจยังต้องติดกับการเกิดแก่เจ็บตายอีกต่อไปอนี่คือเรื่องของการเจริญปัญญาก่อนจะเจริญปัญญาได้นั้นเราต้องหยุดความคิดที่จะคิดไปในทางกิเลสตัณหาให้ได้ก่อน หยุดอวิชชาปัจจยาสังขาราด้วยการจเจริญสติพุทโธพุทโธด้ือการดูลมหายใจเข้าออกทำใจให้หยุดคิดพอหยุดคิดแล้วใจก็จะเน่งสงบจะเย็นสบายมีความสุขจะเห็นโทษของการคิดไปในทางอวิชชาอวิชชาปัจจยาสังขาระพอคิดไปในทางอวิชชาแล้วใจรุ่มร้อนเห็นอะไรก็อยากได้ใจก็กระวนกวาย เห็นอะไรไม่อยากสูญเสียใจก็วิตกกังวลห่วงใยพอเรามาหยุดคิดเรื่องราวเหล่านี้พอมาทำจิตใจให้สงบใจก็เย็นสบายใจก็จะเห็นโทษของการคิดทางทางกิเลสตัณหาพอออกจากความสงบแล้วออกจากสมาธิแล้วพอใจกับจะพอใจเริ่มคิดพอจะคิดไปในทางอวิชชาปัจจยาสังขาราทีนี่ก็ต้อง ดึงให้มาคิดทางปัญญาคิดทางรัมมะธรร ม, มะ อ, อวิตธรร ม, มะปัจจยาสังขาราหรือปัญญาปัจจยาสังขาราคือคิดทางปัญญาให้ปัญญาเป็นผู้นำความคิดให้คิดถึงไตรักให้คิดถึงอริยสัจสี่อยู่เรื่อยๆในสิ่งต่างๆที่เราไปสัมผัสรับรู้ไปเกี่ยวข้องด้วยไม่ว่าจะเป็นอะไรก็ตามเป็นใจรักหมด เป็นอันนีจังทุกขังหมดเป็นอริยสัจสี่หมดถ้าไปมีอะไรแล้วมันจะมีความยึดติดมีความอยากให้เป็นของเราให้อยู่กับเราไปตลอดแล้วพอมันไม่เป็นขึ้นมาก็จะทำให้เกิดความทุกข์เกิดความวุ่นวายใจขึ้นมาแต่ถ้าเรารู้ว่าเป็นตายแล้วเป็นอริยสัจสี่เราไม่ไปยุ่งเกี่ยวกับมันดีกว่าไม่ไปยึดไปถือไปครอบครองว่าเป็นสมบัติของเราถึงแม้จะมีก็จะ ก็คิดว่ามันเป็นสมบัติชั่วคราวสมบัติที่เราจะต้องสูญเสียไปไม่ช้าก็เร็ววันใดวันหนึ่งถ้าคิดอย่างนี้เวลาเกิดการพัาดพลาดจากกันมันก็จะทำให้เราไม่ทุกข์เราจะเฉยแล้วเราจะไม่คิดไปหามันมาอีกเพราะเราเห็นด้วยความจริงแล้วว่าหามาได้เท่าไหร่ไม่ช้าก็เร็วก็ต้องมีการสูญเสียไปมีการพาดพาดจากกันไป มันก็จะทําให้เราตัดกิเลสตัณหาในสิ่งต่างๆได้เคยอยากได้นู่นอยากได้นี่พอเห็นตายรักปั๊บไม่เอาดีกว่าเอตอนที่ยังไม่เห็นตายรักนี่อยากได้ไปหมดอยากได้ลาบยศสรรเสริญอยากจะได้ความสุขทางตาหูจมูกลิ้นกายแต่พอมามีปัญญาพอสังเกตดูว่ามีอะไรแล้วเดี๋ยวก็ต้องเสียมันเวลาเสียมันใจก็ไม่สบายขึ้นมา สู้อยากไม่มีมันดีกว่าสู้ไปอยู่กับความไม่มีดีกว่าอยู่กับความสงบดีกว่าความสงบนี้แหละเป็นความสุขที่เหนือกว่าความสุขทั้งปวงถ้าเราได้สมาธิแล้วเราจะรู้รู้ว่ามีความสุขอีกรูปแบบหนึ่งที่ดีกว่าความสุขที่เราได้จากราบยศสรรเสริญจากรูปเสียงกลิ่นรสผลตภะเราก็จะสามารถตัดความอยากในราบยศสรรเสริญได้ ในรูปเสียงกลิ่นรสผลิัพได้แล้วเราก็อยู่กับความสงบอยู่กับความว่างดีกว่าความว่างนี้เป็นความสงบที่ไม่มีพิษไม่มีภัยเพราะเป็นความเป็นความสงบที่ถาวรเป็นความสุขที่ถาวรเป็นสมบัติของเราที่แท้ที่แท้จริงเป็นนิจจังสุขขังอัตตาถ้าเราสามารถ ชำระกิเลสตัณหาชำรากถึงต่างๆให้ใจเราว่างได้แล้วความว่างนี้จะว่างไปตลอดจะไม่มีวันเสื่อมจะไม่มีวันหมดถ้าเราเข้าสู่ระดับปัญญาแล้วเวลาปัญญากำจัดกิเลสตัณหาออกไปกิเลสตัณหาที่ได้รับการกำจัดแล้วจะไม่หวนกลับมาอีกไม่เหมือนกับการกำจัดด้วยทานด้วยศีลด้วยสมาธิจะกำจัดแบบชั่วคราว ยังสามารถหวนกลับมาได้อีกเวลาไม่ได้ทําทานไม่รักษาศีลไม่นั่งสมาธิกิเลสตัณหาที่ถูกที่ถูกทานศีลสมาธิหยุดไว้ก็จะกลับคืนมาต่อแต่ถ้ากิเลสตัณหาที่ได้ถูกกําจัดด้วยปัญญาแล้วจะไม่มีวันหวนกลับมาอีกต่อไปพอใจสะอาดบริสุทธิ์ด้วยปัญญาแล้วปัญหาของใจก็จะหมดสิ้นไป เพราะไม่มีอะไรที่จะมาทำให้ใจเศร้าหมองอีกต่อไปไม่มีอะไรที่จะมาดึงใจให้กลับมาติดอยู่กับกองทุกข์แห่งการเวียนว่ายตายเกิดอีกต่อไปใจก็จะสะอาดบริสุทธิ์ไปตลอดอยู่กับความสุขของความบริสุทธิ์คือปรมมงสุขขังไปตลอดไม่มีวันสิ้นสุดนี่แหละคือการซักพอกจิตใจที่พระพุทธเจ้าได้ส่งซักพอกมาเป็น บุคคลแรกด้วยการทดสอบด้วยการค้นคว้าวิธีการต่างๆจนในที่สุดก็ได้พบสูตรที่สามารถซักฟอกจิตใจให้บอยสุดได้ก็คือการทําทานการรักษาศีลการนั่งสมาธิและการเจริญปัญญานี้พระพุทธเจ้าเลยส่งค้นพบสูตรอันวิเศษที่สามารถซักฟอกจิตใจให้สะอาดบอยสุดได้ พระ อ, องค์ก็นำเอามาเผยแผ่สั่งสอนให้แก่พวกเราที่ยังไม่รู้จักวิธีซักพอกจิตใจให้สะอาดบริสุทธิ์ถ้าเรามีศรัทธาความเชื่อแล้วปฏิบัติต่างได้เราก็จะสามารถซัก้อกจิตใจของเราให้สะอาดบริสุทธิ์ได้ทาให้จิตใจของเราเป็นเหมือนของจิตใจของพระพุทธเจ้าเหมือนกันเป็นนิพพานเหมือนกันเป็นบรมมรรเหมือนกัน ไม่มีการเวียนว่ายตายเกิดเหมือนกันเจะต่างกันก็ตรงที่ความรู้ความ ส, สามารถเฉพาะตนที่อาจจะไม่มีที่มีไม่เหมือนกันแต่ความสามารถในการซักพอกจิตใจนี้มีเหมือนกันแต่ความสามารถพิเศษนี้อาจจะมีไม่เหมือนกันเช่นพระอาหารหันต์แต่ละลูกนี้ท่านเป็นพระอาหารหันต์เหมือนกันจิตใจสะอาดบริสุทธิ์เหมือนกัน แต่ความรู้ความสามารถพิเศษของแต่ละคนไม่เหมือนกันเป็นความสามารถพิเศษเฉพาะตนเช่นพระโมคคัลลาก็มีความสามารถพิเศษในเรื่องอิทธิฤทธิปาฏิหาริย์ต่างๆพระสาวริบุตรก็มีความสามารถในการแสดงธรรมในทางปัญญามีพระพุทธเจ้าที่มีความสามารถพิเศษมากกว่าพระสาวกพระพุทธเจ้ามีทั้งความสามารถทางปัญญา มีความสามารถทางอิทธิฤทธิปาฏิหาริย์ต่างๆอันนี้เป็นเรื่องของความสามารถพิเศษของพระอรหันต์ของจิตใจของผู้ที่ได้บรรลุถึงพระนิพพานนี้มีความสามารถพิเศษไม่เท่ากันแต่ความสามารถที่จะชำระจิตใจให้สะอาดบริสุทธิ์นี้มีเท่ากันมีเหมือนกันสามารถกำจัดกิเลสตัณหาเครื่องเศร้าหมองต่างๆที่ ทำให้จิตใจต้องทุกข์ต้องวุ่นวายต้องกลับมาเกิดแก่เจ็บตายนี้ท่านมีความสามารถเท่ากันท่านชำระได้หมดเหมือนกันจิตใจเป็นนิพพานเหมือนกันแต่ความสามารถพิเศษทางอื่นนี้ไม่เหมือนกันแต่ก็ไม่สำคัญสำหรับผู้ที่ได้หลุดพ้นแล้วสิ่งที่สำคัญคือการหลุดพ้นจากความทุกข์ทั้งปวงหลุดพ้นจากการเวียนว่ายตายเกิด ส่วนความสามารถพิเศษนี้ก็มีไว้สำหรับช่วยเหลือผู้อื่นเพราะความสามารถพิเศษนี้อาจจะมาใช้ประกอบกับการแสดงธรรมให้ผู้ฟังได้เกิดศรัทธาขึ้นมาก็ได้นี้ก็เป็นเรื่องความสามารถพิเศษป้าหลานแต่ละรูปจึงมีความสามารถในการอบรมสั่งสอนเผยแผ่ธรรมะไม่เท่ากัน เพราะมีความสามารถพิเศษในทางนี้ไม่เหมือนไม่เท่ากันนั่นเองครูบาอาจารย์บางลูกก็มีลูกศิษย์ลูกหาเป็นจำนวนมากครูบาอาจารย์บางลูกก็มีลูกศิษย์ลูกหาไม่มากเพราะความสามารถพิเศษในการที่จะสั่งสอนสร้างศรัทธาให้แก่ผู้ฟังนี้มีไม่เท่ากันนั่นเองแต่จิตใจของท่านสะอาดบริสุทธิ์เหมือนกันหลุดพ้นจากการเวียนว่ายตายเกิดเหมือนกัน นี่คือเรื่องของการศึกษาการปฏิบัติตามพระธรรมคำสอนของพระพุทธเจ้าเป็นเรื่องของการชำระจิตใจให้สะอาดบริสุทธิ์ถ้าเราอยากจะให้จิตใจของเราสะอาดบริสุทธิ์ปราศจากความทุกข์ทั้งปวงมีแต่ความสุขตลอดเวลาขอให้เราศึกษาพระธรรมคำสอนแล้วน้อมเอาพระธรรมคำสอนที่เราได้ศึกษาไปปฏิบัติ พระพุทธเจ้าสอนให้เราทำทานให้เรารักษาศีลให้เราเจริญสมาธิและปัญญาเราทำเพียงสี่ข้อนี้เราก็จะสามารถชำระจิตใจของเราให้สะอาดบริสุทธิ์ได้เป็นจิตใจเหมือนกับของพระพุทธเจ้าและพระสาวกได้ด้วยการศึกษาด้วยการปฏิบัติจึงขอฝากเรื่องของการชำระจิตใจให้สะอาดบริสุทธิ์นี้ ให้ท่านได้นำเอาไปพินิจพิจนารณาและปฏิบัติเพื่อความสุขที่แท้จริงที่ถาวรและการหลุดพ้นจากความทุกข์ทั้งฟวงที่จะตามมาต่อไปการแสดงก็พอสมควรแก่เวลาจะขออนุโมทนาให้พรยะถ า, าวาริวาาปุราปาริปุเรนติสากะลัง เอวเมวะอิโตทินังเปตานังอุปกปติอิจิตังปฏทิตังตุมหังคิดเปเมวะสมิจโตสัพเพโปเรเณตุสังกปาจันโทปนะหระโสยะธามณิโตติหระโสยะธาสัพพติโยวิวาจจันตุ สัพพโรโควินัสตุมาเตภวตวันตรายุสุขีทีคายุโกภวะอภิวาธนสีลิสนิจจังวุฒาปะจายโนจตารโหธรรมวัฏานติอายุวันโนสุขังพาลั ลำรับต่อไปก็เป็นช่วงถามตอบปัญหาธรรมใครอยากจะถามคําถามก็เชิญถามได้ในช่วงนี้เลยถามด้วยตัวเองก็ขึ้นมาที่ศาลาจะให้ไมค์ก็โฟนไปถ้าไม่อยากจะถามเองจะเขียนใส่กระดาษส่งข้อความเข้ามาก็ได้เดี๋ยวก่อนปับ๊บรอเดี๋ยวก่อนยังไม่ถึงเดี๋ยวขอใหอ้ให้ตั้งหลักก่อนอยังไม่เสร็จยังไม่พร้อม วันนี้เข้ามาเท่าไหร่ครับผมวันนี้ทาง Facebook เข้ามาทั้งหมดสามรอยี่สิบหกคน y o u t u หนึ่งร้อยห้าสิบสามคนวิทยุออนไลน์ยี่สิบเจ็ดคนรับฟังบนเขาเก้าสิบหกคนรวมทั้งหมดหกร้อยสองคนครับผมอ่าทีนี้พร้อมแล้วส่งไมโครโฟนไปพูดใกล้ๆปากหน่อย ครับผมขออนุญาตถามพระอาจารย์ครับพอดีเรา เ, เรานั่งสมาธิอยู่ถึงหน้าจุดหนึ่งนะครับมันจะเหลือแต่ตัวรู้อย่างเดียวนะครับรู้สึกว่าจิตกับกายเราแยกกันนะครับแล้วก็ไม่รู้ว่าจะไปต่ อ, อยังไงครับก็ไม่ต่อแล้วมันมันถึงจุดหมายแล้วต้องการให้มันสงบเท่านั้นเอง จะไปต่อก็ต้องออกจากเวลาออกจากสมาธิมาก็ให้ไปศึกษาไตาลักษ์ศึกษาอริยสัจสีต่อถึงจะไปทางปัญญาต่อได้สำหรับสมาธิมันก็ถึงจุดหมายปลายทางเราคือสักแต่ว่ารู้จิตสงบมีความสุขความสบายแต่จะเป็นแค่บางครั้งนะครับก็ต้องทำให้มันเป็นทุกครั้งก่อนต้องทำให้มันชํำนาน เมือนหัดยิงปืงปนอาจจะยิงเข้าเป้าบางไม่เข้าเป้าบางก็ต้องพยายามยิงให้มันเข้าเป้าได้ทุกครั้งไปจนมีความมั่นใจต้องการความสงบเมื่อไหร่ก็สามารถทาได้อันนี้ขั้นต่อไปก็คือทำให้มันชำนานทำให้มันนานสงบนานๆลองให้มันนั่งเป็นชั่วโมงก็ไปดูัถ้าถึงขั้นเชี่ยวชาญแล้วค่อย ไปทางปัญญาต่อปอปัญญาต่อเ อ, เอาทางอกจากสมาธิมาก็พิจารณาตายรักเห็นอะไรก็เป็นตายรักไปหมดครับขอบระคุณครั บ, บ ค, คบำถามจากคุณพาุวัต์ครับถ้ารักษาศีลห้าบางครั้งไม่ครบแต่พยายามและทำบุญสดมนัน่งสมาธิสม่ำเสมอจะไปอบายไหมครับก็มีโอกาส ถ้ายังมีช่องรูสินห้าเหมือนกับเราไปจับปลาแต่ตะข่ายของเรามีรูอย่างนี้บางทีรูมันใหญ่ปลามันก็อาจจะออกไปทางรูที่มันขาดได้ยิ่งถ้าอยากจะให้ปลาที่เราจับไม่ไม่หลุดศินตะข่ายของเราก็ต้องไม่มีรูโวสินห้าพอมีรูโว่รูใดรูหนึ่งมันก็สามารถทําให้จิตหลุดไปทางอบายได้ ดีกว่าไม่มีศีลเลยดีกว่าแต่เป้าหมายก็คือต้องให้มันตลอดเวลา24ชั่วโมงไม่มีเวลาขาดถ้ามีขาดปั๊บนี่สแสดงว่ามั น, ม, นมันแว บ, บไปทางอบายข้างหนึ่งแล้วคำถามจากคุณชุติมาในชีวิตประจำวันทำความรู้ตัวและสติพุทโธ หากจะรู้ทหากจะรู้ตามความคิดตามทันบ้างเมื่อมีความคิดขึ้นมาและพุทโธความคิดนั้นก็หยุดไปเช่นนี้จิตเริ่มเป็นสมาธิบ้างแล้วหรือไม่เจ้าคะก็เริ่มมีสติหยุดบันได้แต่ยังจะว่าสมาธิก็สมาธิแบบน้ําค้างยังไม่ใช่เป็นแบบน้ําฝนยังเอามาทำประโยชน์อะไรไม่ได้ อำให้มันเป็นแบบน้ำฝนก่อนคือให้มันสงบยาวเป็นเวลานานๆสิบนาทียี่สิบนาทีสามสิบนาทีขึ้นไปอย่างเี้ถึงจะเรียกว่าเริ่มเป็นสมาธิคำถามต่อไปครับทำบุญกระดูกให้ญาติผู้ร่วงรับทำอย่างไรถึงจะถูกต้องและมีอนุสงฆ์ทม ก็ทำได้ด้วยการทำทานอย่างใดอย่างหนึง่งถวาย้าก็ได้ใส่ใส่เงินบริจาคในตู้ก็ได้ใส่บาทก็ได้ทำเสร็จก็อุทิศได้เลยไม่ต้องมีพระมาสวดไม่ต้องมีน้ำมามากรวดบุญอยู่ในใจไม่ได้อยู่ในน้ำน้ำนี้เป็นตัวอย่างของบุญเท่านั้นเองบุญเป็นนมามธรรมมองไม่เห็นด้วยตา สำหับคนที่เขาไม่เข้าใจว่าบุญเป็นยังไงเขาก็เลยให้เอาน้ำมาเป็นตัวอย่างเวลาทิดบุญก็ให้เทน้ำใส่ลงภาชนะเหมือนกับเราเราแบ่งบุญจากใจเราไปสู่อีกใจหนึ่งเหมือนเทน้ำจากภาชนะหนึ่งไปอีกภาชนะหนึ่งอันนั้นก็สามารถทำได้ไม่ต้องเอากระดูกไปทำก็ได้กระดูกไม่รู้เรื่องกระดูกจะเก็บไว้ที่เดิมก็ได้ ไม่ต้องเอามาตั้งอยู่ตรงที่เราทําบุญไม่ต้องเอามาตั้งอยู่ตรงที่เราใส่บาตรต้องอยู่ที่หน้าพระเวลาที่เราจะถวายผ้าบังสกุลหรืออะไรก็ตามอาจจะทําทตามประเพณีก็ได้ตามธรรเนีมประเพณีเขาก็มีการ ม, มีการจัดของกระดูกกระเดกของผู้ตายมาตั้งไว้มีภาพของผู้ตายมีสายศีนยงให้ไป อันนี้ก็เป็นเรื่องของพิธีกรรมทั้งนึงแต่ตัวบุญจริงๆมันไม่ต้องมีสิ่งเหล่านี้ก็ได้ขอให้เรามีการเสียสละแบ่งปันทรัพสมบัติเข้าของเงินทองของเราให้แก่ผู้ที่เขาจะได้รับประโยชน์ก็เป็นบุญแล้วแล้วเราก็สามารถแบ่งบุญนั้นให้แก่ผู้ที่ร่วงลับไปแล้วได้ทันทีคาถามที่สองครับจากคุณชุติมาครับ มีสติพุทธโธบ่อยๆไม่ให้เผลอความคิดต่างๆที่เคยมีมากก็ไม่เคยมีหรือมีน้อยเรียกว่าจิตสงบลงบ้างแล้วใช่ไหมคะ อ, อก็มันก็ดีกว่าก่อนถ้าเป็นรถก็แทนที่จะวิ่งร้อยยี่สิบก็เหลือแค่หกสิบอย่างเงี้ยแต่มันก็ยังวิ่งอยู่ยังไม่จอดต้องให้มันจอดนิ่งเลยถึงจะเรียกว่าเป็นสมาธิขึ้นมา คำถามจากคุณพิทักษ์ครับในขณะที่ดำเนินชีวิตตามปกติไม่ได้อยู่ในการภาวนาหรือพิจารณาใดๆแต่จิตที่มีความความรู้สึกสงบเพราะในขณะนั้นไม่มีความคิดใดๆเกิดขึ้นหรือมีอารมณ์มากระทบให้เกิดคิดปรุงแต่งใดๆเลยเป็นความรู้สึกสงบเฉยๆ ในจิตใจแบบนี้ถือว่าจิตอยู่กับละจิตของเราอยู่ในความสงบหรือเปล่าครับก็จิตของเรามันเป็นภาวะที่เปลี่ยนไปเปลี่ยนมาแล้วแต่เหตุการณ์ต่างๆที่จะมากับทบกับจิตบางวันไม่มีเรื่องราววุ่นวายใจก็เย็นสบายบางวันไปเจอเหตุการณ์ไปเจอเรื่องราววุ่นวายก็ทำให้จิตใจวุ่นวายตามไปได้ อันนี้เป็นเรื่องภาวะของจิตที่ไม่มีสติควบคุมถ้าจิตมีสติที่ควบคุมมีสติที่มีกําลังมากไม่ว่าจะมีอะไรมากระทบก็ยังสามารถรักษาจิตให้ตั้งอยู่ในความสงบได้นี่คือความสำคัญของสติถ้าไม่มีสติใจของเราก็จะเปลี่ยนไปเปลี่ยนมาตามเหตุการณ์ที่มาสัมผัสมากระทบ แต่ถ้ามีสติแม้จะมีเหตุการณ์มาสัมผัสมากระทบก็ยังสามารถประครับประคองให้จิตเป็นปกติได้คำถามต่อไปครับกราบขอคำแนะนำเรื่องการพิจารณาสุภาษะค่ะและจิตของดิฉันมักจะไม่ยอมพิจารณาเรื่องเดิมเหมือนเบื่อต้องคอยเปลี่ยนเรื่องพิจารณาตลอดกราบขอคำแนะนำค่ะ ก็เพราะว่าจิตเราไม่มีสมาธิจิตยังมีกิเลสตัณหามาคอยสร้างอารมณ์เบื่อให้อยู่เรื่อยๆมันเลยไม่สามารถพิจารณาทำได้อย่างต่อเนื่องไม่สามารถพิจารณาอาสุภะไม่สามารถพิจารณาความตายได้อย่างต่อเนื่อง พ, อพิจารณาปั๊บมันจะเบื่อมันจะหดหู่ขึ้นมามันจะไม่ยอมพิจารณาจึงต้องพยายามทําจิตให้สงบก่อน เพื่อหยุดตัวกิเลสตัณหาที่จะมาคอยสร้างอารมณ์ที่ไม่ปรารถนาขึ้นมานั่นเองฉั้นถึงได้พูดอยู่แล้วอยู่บ่อยๆว่าการจะไปทางปัญญาได้นั้นต้องมีสติต้องมีสมาธิที่สามารถคอยควบคุมอารมณ์ต่างๆได้ถึงจะสามารถดึงใจไปดูในสิ่งที่กิเลสตัณหาหรือใจไม่ชอบดู คือเรื่องตายลากเรื่องอสุภะนี่เป็นเรื่องที่กิเลสไม่ชอบดูถ้ามีกิเลสมันจะสร้างอารมณ์หดหู่สร้างอารมณ์เบื่อหน่ายขึ้นมาทันทีนั้นต้องมีสมาธิมากๆแล้วกิเลสมันจะไม่มีกําลังมาสร้างอารมณ์เราก็จะสามารถพิจารณาอสุภะพิจารณาความตายได้อย่างต่อเนื่องจนไม่หลงไม่ลืมจนฝังอยู่ในใจของเราต่อไป หมดแล้วเลย อ, อ่ามีใครอยากจะกถามไหมถ้าอยากถามก็ยกมือขึ้นนะหรืออยากจะเขียนข้อความส่งเข้ามาก็ได้ถ้าไม่มีก็จะพูดธรรมะต่อไปพูดเรื่องเรื่องสมาธิและปัญญาเนี่ยอถ้าพูดเปรียบเทียบสมาธิก็เป็นเหมือนเวลาหมอจะผดผ่าตัดคนไข้ในหมอต้องวางยาสลบก่อนใช่ไหม ถ้าไม่วางยาสลบนี้ไปผ่าเดี๋ยวคนไข้ก็ดิ้นอ่ะอันนี้ก็เหมือนกันสมาธิก็เป็นเหมือนยาสลบของใจพอให้ยาสลบของใจเวลาผ่าเอาเรื่องที่ใจไม่ชอบใ จ, ใจก็จะไม่ดิ้นให้ใจไปดูอสุภะก็จะดูอสุภะให้ดูความตายก็จะดูความตายแต่ถ้าใจมันไม่มียาสลบนีใจไม่สงบเนี่ย เหมือนคนที่คนไข้ยังไม่ส ล, ส ล, สลบเนี่หมอไปกรีดแผลเขาหน่อยก็สะดุ้งขึ้นมาดิ้นต่อต้านหมอก็ไม่สามารถผ่าตัดคนไข้ได้ถ้าคนไข้ดิ้นอันนี้ก็ลักษณะเดียวกันสมาธินี่ก็เป็นเหมือนยาสลบที่จะทำให้กิเลสตัณหามันสลบสลายทำให้มันไม่มาต่อต้านความการพิจารณาทางปัญญา สังเกตดูเวลาที่เราจิตเราเป็นปกติมีกิเลสอยู่ในหัวใจนี่ใครคิดถึงความตายกันบ้างไหมใครคิดถึงอสุภะกันบ้างไหมใครดูตับไตไส้พุงของคนบ้างไหมไม่มองไม่เคยเห็นเห็นคนก็เห็นแต่แค่หน้าเท่านั้นเองโอ้ยหน้าตาเขาดีนะรูปร่างเขาสวยนะผมเขายาวนะคิ้วเขาสวยนะตาเขางามนะแต่ไม่ก็เห็นกระเพาะลำไส้ของเขาเลยไม่เห็น บอดเห็นไตเขาเลยว่าปอดเขาเป็นยังไงสวยไหมหัวใจเขาสวยไหมไตเขาสวยไหมลำไส้เขาสวยไหมมองไม่เห็นเลยเพราะกิเลสมันไม่ยอมมองอันนี้ก็เหมือนกันการเจริญปัญญาก็คือการผ่าตัดเพื่อเราจะได้เห็นอวัยวะต่างๆที่มันอยู่ภายใต้ผิวหนังที่เรามองไม่เห็นจะเห็นได้ก็ต้องทำสายยาสลบก่อน ไม่งั้นกิเลสตัณหามันจะห้ามไม่ให้เราเปิดดูเข้าไปข้างในเพียงแต่คิดแค่นี้ก็ก็เกิดขยมขยะขยังแล้วใช่ไหมบอกให้ผ่าท้องออกมาดูเนี่ยผ่าท้องของเราผ่าอกของเราออกมาดูเนี่ยดูโครงกระดูกดูหัวใจดูปอดดูตับดูไตดูลำไส้เนี่ยให้พูดแค่นี้ก็ใจก็ไม่ก็ไม่ชอบล่ะเนี่ยเป็นเพราะว่าใจยังไม่มีสมาธิ สำหรับใจที่มีสมาธิพอพูดเรื่องเหล่านี้ก็ชอบก็ฟังได้ก็ฟังแล้วดีเกิดปัญญาเห็นความจริงเห็นความจริงของร่างกายว่ามันไม่ได้สวยงามอย่างที่เราหลงไหลกันเลยมันมีของที่ไม่น่าดูอยู่เยอะแยะที่เรามองไม่เห็นกันเท่านั้นเองเราก็เลยลืมไปหรือว่าในร่างกายนี้มันมีต้องสามสิบสองอาการส่วนที่เราเห็นมันเพียงแต่ห้าอาการเท่านั้นเอง คือผมขนและฟันหนังท่านเองแต่ใต้ผิวหนังนี่มองไม่เห็นกันเลยจะไม่มีวันเห็นถ้าหนึ่งไม่มีสมาธิสองไม่มีคนสอนให้มองต้องมีสองอย่างมีสมาธิแล้วต้องมีคนสอนบอกว่าหัดมองเข้าไปข้างในบ้างนะจะได้เห็นความจริงของร่างกายว่ามันไม่สวยไม่งามอย่างที่เราหลงไหลกันหรอกถ้าไม่มีคนสอนถึงแม้จะมีสมาธิก็ไม่ไปเหมือนกัน สมัยที่ไม่มีพระพุทธเจ้าก็ไม่มีใครพิจารณาเรื่องความอสุภะเรื่องตายรักอะไรกันต้องมีพระพุทธเจ้ามาสอนมาบอกให้มองในสิ่งที่เราไม่อยากมองกันเพื่อเราจะได้หยุดกิเลสตัณหาความลหลงไหลต่างๆที่มันหลอกให้เราต้องมาทุกข์กับสิ่งต่างๆกันนั่นเองมีคำถามต่อไหมครับคาถามจาก facebook ครับ ยังคล่องอยู่ในโลกบางวันก็พลั้งสติตามใจกิเลสผิดศีลอยู่บ้างเช่นล่วงศีนข้อห้าบ้างดังนี้ในท้ายที่สุดจะตกนรกไหมครับก็อยู่ที่ว่าล่วงศีนด้วยเหตุผลใดถ้าล่วงศีนด้วยความอาฆาตพยาบามให้ก็ไปนรกถ้าทำบาปด้วยการโลภ ก, ก็ไปเป็นเปรต ทำบาบด้วยความไม่รู้ด้วยความหลงก็ไปเป็นเดรัจฉานทำบาปด้วยความกลัวก็ไปเป็นอสุนตกายดวงวิญญาณจะเป็นต่างกันอยู่ที่เหตุของการทําบาปว่าทําด้วยความรักความชางังความกลัวความหลงมันก็เลยทำให้มีผลต่างกันไปคําถามต่อไปครับเวลาที่ทําฟัน เสียวฟังหนักเราไม่สามารถแยกกายแยกใจได้แปลว่าจิตเรายังไม่เข้มแข็งพอใช่ไหมคะอะสติของเรายังไม่มีกำลังที่จะหยุดใจให้เราไปคิดปรุงแต่งเรื่องของฝันได้เรื่องของความเสียวได้มันก็เลยเกิดความรู้สึกตามกับความคิดไปถ้าเรามีสติเราพุโทโธพุโทโธไม่ไปสนใจกับอาการเสียว อาการเสียวมันก็ไม่เข้ามาในใจมันก็อยู่ที่ร่างกายเราดึงใจออกจากร่างกายออกจากความเสียวได้ด้วยสติคําถามจาก youtube ครับขอกราบเรียนถามพระอาจารย์เจ้าค่ะลูกขอกราบถามอุทิศก่อนตักบาตถูกต้องไหมเจ้าค่ะเถ้าจะอุทิศบนนี่ต้องอุทิศ ต, ตอนที่เราใส่บาตรเสร็จแล้ว ตอนที่ยังไม่ใส่ยังไม่ได้บุญต้องใส่แล้วเสร็จเรียบร้อยแล้วเกิดความสุขใจขึ้นมาแล้วเราค่อยอุทิศ ต, ต่อไปไม่ต้องให้พระให้พรไม่ต้องขอพรจากพระความจริงไม่การให้พรในระหว่างบินทบาทนี้ไม่เป็นธรรมเนียมเป็นเป็นเรื่องที่พระไม่รู้เรื่องมาทำกันในภายหลังเพราะว่ามันไม่สะดวกที่จะให้พรในใ น, ในสภาพนั้นสองไม่มีเวลาพอ คนใส่บาทเป็นสิบเป็นร้อยถ้ามาให้ทุกคนนี่เดี๋ยวเพนยังไม่รู้กลับถึงวัดหรือเปล่าก็เลยไม่นิยมที่จะให้พรไม่ต้องให้พรพรไม่เกี่ยวกับการอุทิศบุญพรเป็นการแสดงความชื่นชมยินดีต่อการกระทำบุญของเราเท่านั้นเองไม่มีผลต่อการทำบุญของเราพาจะให้พรหรือไม่ให้พรบุญที่เราทำได้เท่ากันไม่ได้มากหรือน้อยลงไป คำถามจากคุณพีโกโรครับกราบเรียนถามพระอาจารย์ไม่ยึดมั่นในวิญญาณขันเป็นอย่างไรครับวิญญาณขันคือผู้ที่รับรูปเสียงกลิ่นรสมาให้ที่ใจนั่นเองก็ให้ไม่ให้ไปติดกับรูปเสียงกลิ่นรสนั่นเองเห็นรูปก็สักแต่ว่าเห็นเวลาไม่เห็นก็ไม่เดือดร้อนถ้ายึดเดี๋ยวเวลาก็เห็นรูปที่ชอบพอรูปที่ชอบไม่เห็นก็เกิดอารมณ์เศร้าขึ้นมาได้ ถ้าไม่ยึดก็รู้ว่ามันไม่เที่ยงรูปเสียงกลิ่นรสที่มาทางตาหูจมูกลิ้นกายนี่มันมาแล้วเดี๋ยวมันก็ไปเอถ้าไปอยากะถ้าไปชอบเวลามันไปก็จะเสียใจถ้าไม่ชอบเวลามันอยู่ก็ไม่พอใจแต่ถ้าไม่มีความชอบหรือความชังมันก็จะเฉยเฉยไม่เดือดร้อนมันมาก็ไม่เดือดร้อนมันไปก็ไม่เดือดร้อนคํถาถามต่อไปครับ ถ้าพิจารณาสุภาษะแล้วเกิดความเบื่อหน่ายแล้วจะเกิดอะไรขึ้นท่านต่อท่านต่ออีกครับก็กลับไปทําสมาธิแต่ถ้าเบื่อหน่ายก็แสดงว่ายาสลบหมดฤทธิ์นะคนไข้เริ่มเริ่มเกิดอาการต่อต้านแล้วหมอวางยาเขาถึงต้องคอยสังเกตดูเรื่อยๆเวลาผ่าตัดนี่เขามีหมอหมอวางยาหมอวางยานี่ยเขาจะคอยดูอาการของร่างกายว่ามีการรับรู้หรือ ย, อยัง ถ้ามีการรับรู้มีปฏิกิริยาต่ อ, อ, อการผ่าตัดเขาก็จะเพิ่มยาให้เพื่อจะได้สลบต่อไปอันนี้ก็เหมือนกันการทำปัญญาตอนต้นเราก็ต้องวางยาสลบก่อนพอสลบแล้วพ อ, อจากสมาธิมาเราก็พิจารณาทางปัญญาถ้าเราพิจารณาแล้วไม่มีอาการอารมณ์ออขุนมัวเราก็พิจารณาไป พอเกิดอาการขุ่นมัวเกิดอาการหงุดเหยียดเกิดอาการไม่พอใจหรือหดหูใจหรือเบื่อเบื่อหน่ายเราก็หยุดกลับมาวางยาสลบให้กับกิเลสต่อกลับมานั่งสมาธิทําใจให้สงบต่อพอจิตสงบเย็นสบายแล้วพอออกจากสมาธิมาเราก็ไปพิจารณาต่อนี่คือการเจริญปัญญาจะต้องมีการกลับเข้าไปในสมาธิอยู่เรื่อยๆ เพราะว่าเวลาพิจารณาทางปัญญาแล้วเดี๋ยวกำลังของสมาธิก็จะอ่อนลงกิเลสตัณหาก็จะโผล่ขึ้นมามาสร้างอารมณ์ที่ไม่ดีมาขัดขวางก็จะไม่สามารถพิจารณาได้ก็ต้องหยุดพิจารณาแล้วก็กลับเข้าไปสมาธิไปให้ยาสรุปกับกิเลสตัณหาใหม่พอกิเลสตัณหาสงบแล้วไม่ก่อกวนไม่สร้างอารมณ์แล้วก็ค่อยมาพิจารณาปัญญาใหม่ ทำอย่างนี้สลับกันไปจนกว่าปัญญาจะฝังอยู่ในใจและสามารถเอาไปใช้ในการดับกิเลสได้ดับกิเลสตัณหาได้เมื่อดับกิเลสตัณหาได้แล้วก็ไม่ต้องใช้ปัญญาอีกต่อไปปัญญาเป็นเพียงเครื่องมือเครื่องมือเอามาฆ่ากิเลสเหมือนมีดที่เราเอามาทำกับข้าวเนะพอเราทำกับข้าวเสร็จเราก็เก็บมีดไปกินข้าวต่อได้ไม่ต้องไม่ต้องคอยพกมีดไป พอมีดนี้มีไว้สำหรับทำกับข้าวหั่นผักหั่นเนื้อหั่นอะไรต่างๆพอทำกับข้าวเสร็จมีดเราก็เก็บไว้ในหลงครัวเราก็ไปกินอาหารต่อปัญญาก็แบบเดียวกันปัญญามีไว้สำหรับกำจัดกิเลสตัณหาพอกิเลสตัณหาหมดแล้วก็ไม่ต้องใช้ปัญญาไม่ต้องพิจารณาอสุภะไม่ต้องพิจารณาไตลักอะไรต่อไปเพราะว่าไม่มีกิเลสตัณหามาให้เราต้องพิจารณาอีกแล้ว ถ้ายังมีกิเลสตัณหาโผลขึ้นมาก็ต้องเอาไตา่ลักเอาอราิยสัจสี่มาพิจารณากันใหม่คำถามต่อไปครับพิจารณาสุภะแล้วรู้สึกเฉยเฉยรู้สึกว่าร่างกายนี้มันเป็นเรื่องธรรมดาแปลของเสียเป็นธรรมดาไม่ได้รู้สึกขยัขแยงนั้นแปลว่ายังไม่ถึงแก่นใช่ไหมคะ ก็ต้องไปดูตางที่ดูว่ามีอารมณ์หรือเปล่าเวลาไปเห็นคนที่เรารักเราชอบยังเกิดอารมณ์หรือเปล่าถ้าเกิดอารมณ์เราก็ต้องดูว่าปัญญาที่เราพิจารณานี่จะมาทำให้อารมณ์นั้นหายไปได้หรือเปล่าจะทำให้ใจเรากลับมาเป็นปกติได้หรือเปล่าอันนี้การพิจนารณาเป็นเหมือนการทำการบ้านส่วนการทำข้อสอบนี่ต้องมีเหตุการ์มากระตุ้นกิเลสมากระตุ้นอารมณ์ พอมีอารมณ์เกิดขึ้นเราเอาการบ้านที่เราทำนี่มามาดับกิเลสได้หรือเปล่าเอาปัญญาที่เราพิจนารณาที่เราเห็นว่ามันไม่สวยไม่งามนี่มาดับอารมณ์ที่ไปเห็นว่าเป็นสุดเป็นของสวยของงามได้หรือเปล่าถ้าดับได้ก็แสดงว่าเราสอบผ่านถ้ายังดับไม่ได้ก็แสดงว่าเราสอบตกก็ต้องกลับไปทำการบ้านต่อบางทีไม่มีปัญญามาตอนที่เกิดอารมณ์ลืมไปหมด เห็นแต่ก็เป็นของสวยของงามไปหมดเป็นของดีเป็นนิจจังสุขขังอัตตาไปหมดอันนั้นแสดงว่าปัญญาหายไปปัญญาไม่อยู่คู่กับใจเราต้องการพิจารณาให้ปัญญาอยู่กับใจไปตลอดพอถึงเวลาจะต้องใช้ปัญญามันต้องมาทันทีถ้ามันไม่มาก็แสดงว่ายังไม่พอกำลังยังไม่พอก็ต้องกลับไปพิจารณาให้มากๆให้บ่อยๆให้นาน ให้อยู่กับใจเราไปตลอดเวลาแล้วต่อไปเวลากิเลสตันหาโผลขึ้นมาปัญญาก็มาทันทคีคำถามต่อไปครับกราบนมัสการพระอาจารย์ครับกับผมมีความเลื่อมใสที่อยากจะออกบวชศึกษาพระธรรมการที่เรามีห่วงเรื่องลูกภรรยาความเป็นอยู่ต่างๆของเขา เหมือนว่ายังละทิ้งห่วงตรงนี้ได้นีไม่ได้ความจะคิดแบบไหนดีครับเพราะเราไม่มีปัญญาเรามองไม่เห็นตายรักเราไม่ทำตามที่พระเจ้าสอนให้คิดว่าเกิดมาแล้วต้องแก่ต้องเจ็บต้องตายต้องพัดพากจากกันไม่ว่าเขาหรือเราเป็นเหมือนกันหมดเราหัดคิดอย่างนี้บ่อยๆแล้วเราก็จะตัดความห่วงความผูกพันในบุคคลต่างๆได้ เพราเรารู้ว่ายังไงก็ต้องตาต้องแก่ต้องเจ็บต้องตายต้องพัดภาคจากกันจะอยู่ด้วยกันหรือจะแยกกันอยู่มันก็ไม่เปลี่ยนแปลงความจริงอันนี้มันก็จะทําให้เราตัดสินใจแยกตัวออกจากเขาได้อยู่กับเขาเขาก็ต้องแก่ต้องเจ็บต้องตายต้องพัดภาคจากกันเหมือนเหมือนกันไม่อยู่กับเขาเขาก็ต้องแก่ต้องเจ็บต้องตายต้องพัดภาคจากกันเหมือนกัน ก็อยู่ไปทำไมถ้าไปแนละ้วมันได้ประโยชน์กว่าอยู่ก็ไปไม่ดีกว่าเลยจากคุณสักศวัตครับลูกข อ, อการถามคำถามพระอาจารย์อีกสักข้อคือขอธรรมะอันเป็นมงคลแก่ชีวิตเอาไว้ปฏิบัติติดตัวสักสองสามข้อครับเนี่ย ว, วันนี้ให้มาต้องเยอะแยะไปหมดเนี่ยเดี๋ยวไปย้อนฟังดูนะตั้งแต่ต้นมาเนี่ย เป็นธรรมะทั้งนั้นเลยไม่รู้กี่ข้อเลือกเอาได้เลยคำถามจากนางชูชูกราบนมัสการพระอาจารย์ค่ะการบรรลุโสดาบันหรือสำเร็จพระเป็นพะาาระอรหันต้องพิจารณาเฉพาะอาสุภะหรือไตรักษ์เท่านั้นใช่ไหมคะไม่หรอกมีมากกว่านั้นแต่ขั้นต้นนี้ต้องพิจารณาเกิดแก่เจ็บตายก่อน ปล่อยวางร่างกายของเราก่อนก้นต่อไปก็ปล่อยวางร่างกายของคนอื่นไม่ให้ไปรักไปชอบร่างกายของคนอื่นก็ต้องพิจารณาอสุภะแล้วพอปล่อยวางเรื่องร่างกายได้หมดก็ต้องมาปล่อยเรื่องจิตใจต่อไปจิตใจก็เป็นสิ่งที่จิตใจเรายังไปหลงไปยึดไปติดเยอะคืออารมณ์ต่างๆที่มีอยู่ในจิตในใจก็ต้องพิจารณาเรื่องของอารมณ์ต่อไป หลังจากที่เราปล่อยวางร่างกายได้หมดแล้วก็ต้องไปปล่อยวางเรื่องอารมณ์ที่มีอยู่ในจิตอีกต่อไปคำถามจากคุณชนัญญาฝึกด้วยตัวเองและใช้ธรรมชาติเป็นครูเวลาฝึกใช้ใช้วิธีทมสมาธิไปด้วยไปพร้อมกับการทำงานตรงหน้ารู้ตัวทั่วพร้อมและสวดมนต์บ้างแผ่เมตตาบ้าง ระหว่างทำงานไม่ได้แนงสวดมนต์ต่อหน้าพระพุทธรูปบ่อยนะักเพราะต้องทำงานมากกว่าแต่ก่อนนอนจะสวดมนต์แนงสมาธิก่อนเวลานอนจะใช้วิธีดูลมหายใจเข้าออกจนหลับแต่รู้สึกว่าจิตเบาสบายกว่าแต่ก่อนแต่ก่อนมากอยากทราบว่าตามที่ปฏิบัติมาถูกต้องไหมคะ ก็เหมือนกับปฏิบัติแบบเรียนหนังสือแบบไม่มีครูสอนเลือกเรียนเอาเองวันนี้อยากจะเรียนวิชานั้นก็เรียนพรุ่งนี้อยากจะเรียนวิชานี้ก็เรียนเรียนไปเรียนมาไม่รู้ว่าไปถึงไหนถ้ารู้ไม่ต้องมาถามตอนนี้ถ้ามาถามก็แสดงว่าไปไม่ถึงไหนวนอยู่ในอ่างทําแบบจับชายเอามันทุกอย่างทุกเรื่องไหนจะเมตตาไหนจะสติไหนจะปัญญา ไหนจะสมาธิไหนจะอะไรเลยไม่รู้ว่าขั้นตอนที่แท้จริงของการปฏิบัติธรรมเหล่านี้มันอยู่ตรงไหนกันแนะ่การปฏิบัติธรรมมันก็เหมือนเรียนหนังสือมันมีขั้นของมันมีขั้นอนุบาลมีขั้นปถมมีขั้นมัธยมมีขั้นอุดมศึกษาต้องมีคนคอยสอนคอยกํากับถ้าเรียนเองก็แบบนี้แหละมันก็มันก็จะสับสน แล้วมันก็จะถามไปเรื่อยๆถามถูกไหมถูกไหมเอ่อทำไมต้องไปต้องไปเรียนจากครูสอนครูเขาจะมีสอนขั้นทานขั้นศีลขั้นสมาธิขั้นปัญญาอันนี้เป็นขั้นๆคำถามจากเราผู้เรียกตัวเองว่าสัต์ปรุอีกคอครับน้าผม เข้าใจว่ามีผีเข้าลูกสาวเพราะลูกสาวนะมีอาการเปลี่ยนไปจากปกติขอถามว่าผีเข้าคนได้ด้วยหรอครับไม่ได้หรอกมันเป็นเรื่องของจิตของของคนที่มันเปลี่ยนไปตามกิเลสตัณหาตามความหลงที่ไม่มีสติปัญญาคอยกํากับมันก็เลยเป็นอะไรไปตามภาษาของมันไปเท่านั้นเอง ไม่มีจิตของไข่เข้ากับจิตของไข่ไดนะ้จิตกับจิตติดต่อกันได้แตนะ่ไปเข้าไปไปแฝงอยู่ในจิตหนึ่งไม่ได้เจิตไข่จิ ต, จตมันตัวที่แฝงอยู่ผีที่แฝงอยู่ก็คือกิเลสตัณหานี่แหละที่เป็นตัวผีที่มาทําให้คนเราเป็นบ้าเป็นบอไปก็คือตัวกิเลสตัณหาความโลภความโกรธความหลงนี่เอง คำถามต่อไปจากยูทู e ครับขอโอกาสกราบเรียนถามพระอาจารย์ระหว่างผู้ปฏิบัติเพื่อความหลุดพ้นไม่ปรารถนาผลของการให้ทานกับอีกคนเป็นผู้ทําทานโดยปรารถนามนุษย์สมบัติหากทั้งสองให้ทานเท่ากันผลของการให้ทานจะเท่ากันไหมครับเท่ากันมันไม่ได้อยู่ที่ความปรารถนาหรือไม่ปรารถนา มันคนที่กินข้าวคนหนึ่งไม่อยากกินกับคนนึงอยากกินกินเท่ากันมันก็อิ่มเหมือนกันคำถามจากผู้ไม่ประสงค์ออกนามครับทำบุญหนึ่งร้อยบาทเท่าๆ่ากันบุญที่เกิดแก่คนสองคนนั้นเท่ากันหรือเปล่าคะไม่ไม่แน่แล้วแต่ว่าฐานะทางการเงินการทองของเขาเท่ากันหรือเปล่า ถ้าก็มีพันหนึง่งทั้งสองคนคนนึ่งทำร้อยคนทำร้อยก็เท่ากันเพราะว่าเสียสละสัดส่วนเท่ากันคือร้อยละสิบเท่ากันแต่ถ้าคนนึงมีร้อยอีกคนนึงคนนึงมีพันอีกคนนึงมีหมื่นเนี่ยคนที่ทำคนที่มีพันเนี่ยแล้วทําเท่ากับคนที่มีหมื่นเนี่ยถือว่าทํามากกว่าเพราะว่าสัดส่วนของเขาเขาทําร้อยละสิบ แต่คนที่มีเหมือนนี่เขาทำร้อยละหนึ่งเหมือนกับคนทำสิบบาทกับคนทำหนึ่งบาทคนทำสิบบาทย่อมได้มีความสุขมากกว่าคนที่ทำหนึ่งบาทตอนนี้คำถามหมดครับพระอาย์เรื่องของผลบุญที่เกิดในใจนี่มันเป็นอย่างนี้แต่อันที่สองที่เราได้รับกลับมานี่มันอยู่ที่ปริมาณ คนสองคนไม่ว่าฐานะมากจะรวยหรือจนไม่เท่ากันทำร้อยทำร้อยเท่ากันถ้าน้ากลับมาก็จะได้ร้อยเท่ากันได้ร้อยบวกบวกดอกเบี้ยเท่ากันแต่ความอิ่มใจสุขใจที่ทําตอนนั้นไม่เท่ากันคนที่มีหมื่นทำร้อยหนึ่งก็เหมือนทําบาทหนึ่งคนที่มีพันแล้วทำร้อยหนึ่งเหมือนทำสิบ ด น, นความอิ่มใจสุขใจของคนที่ทำศิษนี่จะได้มากกว่าคนที่ทําบาทหนึ่งแต่ผลลัพธ์ที่จะได้รับในภพหน้าชาติหน้าที่เวลามากลับมากลับมาเกิดใหม่ก็จะกลับมารวยเท่ากันเพราะว่าทําบุญลงทุนเท่ากันซื้อหุ้นราคาเดียวกันผลตอบแทนของหุ้นก็ให้เท่ากันไม่ว่าฐานะของคนซื้อหุ้นจะมีมีต่างกัน ถ้าลงทุนร้อยบาทด้วยกันทั้งสองคนผลผลจากการลงทุนก็จะได้เท่ากันนั่นมันมีความแตกต่างสองอย่างที่เราจะต้องมาวิเคราะห์เอาบังว่าคงจะไม่สับสนคงจะเข้าใจเอาแล้วนะวันนี้ก็คิดว่าพอสมควรแก่เวลาก็ขอให้ท่านจงนำเอาสิ่งที่ได้ยินได้ฟังไปพิพจารณาไปปฏิบัติ